ที่เจ้าที่บ้านพักชามจังหวัดเพชรบุรี ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เราได้เพื่อนๆ เ, เกือบ20คนได้มีโอกาสไปเที่ยวชะอจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดที่นี่มีหาดทรายขาวยาวและยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเป็นรายได้ให้กับด้านอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวธุรกิจการโรงแรมธุรกิจการค้าของที่ะระลึกร้านอาหาร การประมงเป็นต้นนอกจากนี้ชามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศในระดับตน้ตนๆของประเทศไทยก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปได้จองบ้านพักแบบพูลวิลล่าที่มีสระน้ำในตัวพวกเราจองไว้ในราคาหนึ่งมืสองพันบาทรุ่งชาวก็ออกเดินทาง พอไปถึงที่พักก็ประมาณช่วงบ่ายแล้วเตรียมของทำกับข้าวกินกันกลุ่มผู้ชายก็ขนของลงจากรถเล่นน้ำปาร์ตี้กันตามปกติบ้านพักหลังนี้มีห้าห้องนอนสมห้องน้ำซึ่งเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ได้ยี่สบกว่าคนช่วงหัวค่ำก็ปาร์ตี้กันตามปกติไม่มีอะไรเวลาประมาณสามทุม มีเพื่อนตามมาอีกสองคนพร้อมลูกชายสามขวบมาถึงก็กินข้าวนั่งเล่นพอตกดึกแม่ก็พาเด็กเข้านอนส่วนพวกเราก็สังสรรค์กันแต่เราเข้านอนก่อนตอนเวลาประมาณตีสองครึ่งเพราะรู้สึกเหนื่อยมาทั้งวันเพื่อนๆที่เหลือยังไม่นอนก็สังสรรค์กันต่อเช้ามาเวลาประมาณ9ก้าโมง ขณะที่กำลังนอนอยู่นั้นเราก็ต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงกรีดร้องของคนที่เป็นแม่เด็กพอตื่นขึ้นมาก็ถามเพื่อนที่นอนข้างๆว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนก็ตอบว่าเด็กจมน้ำและเนื่องจากประตูห้องเรารงกับสาวยน้ำพอดีภาพที่เห็นในตอนนั้นคือเด็กสามขวบนอนแผ่แน่นิ่งมีคนปั๊มหัวใจและผายปอดอยู่ เราทำอะไรไม่ถูกทุกคนอึง้งนิ่งไปตามๆกันเพื่อนๆที่มาเที่ยวก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่มาเที่ยวบ้านข้างๆก็มามุงดูตอนนั้นคนเยอะมากแต่ก็ยังพอจะมีโชคอยู่บ้างที่มีพลเมืองดีสองคนที่เป็นพี่น้องกันและเขาก็มาเที่ยวพักอยู่บ้านข้างๆเขาสองคนเข้ามาช่วยน้องเอาไว้ แตโชคร้ายของน้องเพราะตอนนั้นน้องเขาลิ้นจุกปากตัวเขียวอุจจระออกเต็มไปหมดแต่เช็คแล้วว่าชีพจรยังคงเต้นอยู่สักพักก็มีป้าแถวนั้นตะโกนขึ้นมาว่าทำไมไม่เอาเด็กพาดบ่าแล้วเขยา่าพี่ที่เขาช่วยปรถมพยาบาลอยู่นั้นก็ตอบกลับมาว่าผมมีใบวิชาชีพช่วยคนได้ครับ จากนั้นเราก็โทรแจ้งรถโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจจนเวลาผ่านไป15นาทีตำรวจก็โทรกลับมาเพราะเข้าใจว่าเราแจ้งความเท็จหรือโทรไปป่วนไม่นานนักก็มีเสียงป้าคนหนึ่งดังขึ้นมาระหว่างรอรถโรงพยาบาลว่าทำไมไม่เอาเด็กขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยจะมารอทำไมพี่พลเมืองดีจึงบอกว่า ป้าถ้าผมหยุดปั๊มหัวใจตอนนี้เด็กไม่รอดแน่ๆผมต้องปั๊มไปเรื่อยๆจนกว่ารถโรงพยาบาลจะมาเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงรถพยาบาลก็มาถึงแล้วพี่พลเมืองดีก็อุมน้องส่งโรงพยาบาลเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจต่อหลังจากที่เด็กขึ้นรถพยาบาลไปพร้อมกับพ่อแม่เด็ก เรากับแฟนและเพื่อนอีกหนึ่งคนก็ขับรถตามไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงน้องก็เข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วแม่น้องก็รออยู่หน้าห้องตอนนั้นสถานการณ์ทุกอย่างแย่ไปหมดไม่นานนักแม่น้องก็เป็นลมเข้าห้องฉุกเฉินไปอีกคนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าๆหมอก็เดินออกมาบอกว่าให้ทําใจ โอกาสที่เด็กจะรอดห0 5 0หเพราะเซลล์สมองบางส่วนได้ตายไปแล้วเนื่องจากขาดอากาศหายใจไปนานหรือถ้าฟื้นกลับมาได้อาจจะไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปตอนนั้นพ่อกับแม่น้องร้องไห้เหมือนใจจะขาดเฝ้าดูอาการในห้องฉุกเฉินสักพักแฟนเราก็เข้ามาเรียกบอกว่าเพื่อนที่อยู่บ้านพักโทรมา ให้กลับไปเก็บของเพราะคนที่ดูแลบ้านเขาให้เราออกก่อนเที่ยงเพราะมีคนจะเช่าต่อจากเราเราก็กลับไปอาบน้ำเก็บของจนเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงแม่น้องก็โทรมาบอกว่าน้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนื่องจากเครื่องมือรักษาของที่นี่มีไม่เพียงพอ เรากับเพื่อนคนนี้เหลือก็รีบอาบน้ำเก็บของซึ่งตอนที่กำลังเก็บของอยู่นั้นคนที่ดูแลบ้านก็มาช่วยเก็บด้วยและดูเหมือนกับว่าเขาจะรีบมากรีบให้เราออกไปไวๆหลังจะเกิดเรื่องขณะที่เก็บของอยู่นั้นคนดูแลบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึงสัปดาห์ก็มีเด็กจมน้ำที่นี่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่า รอดหรือไม่รอดเฮี่ยงวันนั้นพวกเราตีรถจากชาอัมไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อไปเยี่ยมและดูอาการน้องหวังไว้ว่าขอให้มีปาฏิหาริย์ช่วยให้น้องปลอดภัยแต่ปรากฏว่าหมอที่นี่ก็บอกให้ทำใจเหมือนกันเนื่องจากน้องอยู่ห้องไอซียูเยี่ยมได้ถึงสองทุ่มเท่านั้นเราและเพื่อนเพื่อนเกือบยี่สิบคน ก็เลยเดินทางกลับกรุงเทพเพราะกลับมาถึงกรุงเทพทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติต่างคนต่างทำงานแต่พ่อแม่น้องก็ยังคงเฝ้าดูอาการตลอดน้องหลับไปถึงหวันเต็มๆที่โรงพยาบาลไม่มีทีท่าที่จะฟื้นขึ้นมาได้ย้อนกลับมาก่อนหน้านั้นในวันเกิดเหตุพ่อน้องได้ไปบนไว้ที่ศาล น่าโรงพยาบาลสมุทรสาครว่าถ้าน้องฟื้นและกลับมาเป็นปกติห่อน้องจะบวชรวมถึงพวกเราที่บนไว้ที่นั่นเช่นกันว่าถ้าน้องรอดปลอดภัยพวกเราจะวิ่งรอบโรงพยาบาลจำนวนสิบรอบหลังจากที่น้องหลับไปหกวันเต็มโดยที่อาการไม่ดีขึ้นเลยแม่น้องก็เริ่มทำใจเพราะดูเหมือนว่าจะหมดหนทางแล้ว แต่เหมือนกับว่ายังจะพอมีหวังอยู่บ้างเพราะมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกันได้แนะนำให้แม่ของน้องไปหาร่างทรงซึ่งเขาบอกว่าร่างทรงคนนี้ดูดวงแม่นมาเมื่อแม่น้องหมดทางออกแล้วก็ลองไปดูเพื่อว่ามันพอจะมีหนทางอยู่บ้างและคิดว่าถึงไปก็คงไม่มีอะไรเสียหาย พอแม่น้องไปถึงก็เจอร่างทรงพอได้คุยกันสักพักร่างทรงก็บอกว่าให้ไปเรียกน้องกลับมาโดยการนิมนต์พระไปทำพิธีในที่เกิดเหตุพร้อมกับนําผ้ายันสี่เหลี่ยมจากร่างทรงไปด้วยเพื่อทำพิธีและให้นําผ้ายันไปหาน้องที่โรงพยาบาลก่อนตะวันตกดินแม่น้องก็ไปนิมนต์พระแถวชามไปทาพิธี พรอมกับนําผ้ายันผืนนั้นไปหลังจากที่ทำพิธีเสร็จก็มีป้าคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นป้าแกบอกว่าป้าสวดชินบัญชรมาตั้งแต่สมัยป้าสาวๆและได้มีกุมารทองของป้ามาบอกว่าพาน้องไปคืนให้กับพ่อแม่เขาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเจ้าที่ก็ได้บอกกับกุมาร้วยว่ามันมาเที่ยวมันกิน มันไม่เส้นไหวกูเลยไม่คิดจะแบ่งกูเลยจากนั้นป้าก็เล่าว่าก่อนที่น้องคนนี้จะจมน้ำในสระและบ้านพักหลังนี้มีเด็กจมน้ำตายมาแล้วสองคนซึ่งคนที่สองเหตุการณ์เึ้นงจะเกิดก่อนน้องคนนี้แค่สามวันเท่านั้นหลังจากทำพิธีเสร็จในวันนั้นก็เหมือนกับว่ามีปาฏิหาริเกิดขึ้น เพราะเช้าวันต่อมาน้องสามารถลืมตาได้แล้วอาการของน้องก็ดีขึ้นเรื่อยเืเริ่มตอบสนองเวลาที่มีคนเรียกน้องก็จะมองไปหายังต้นตอของเสียงนั้นได้แต่ก็ยังต้องอยู่ในห้องไอซต่อไปเพราะอาการก็ยังคงหน้าเป็นห่วง สัมผัสสยอง